เช้าก็ได้พูดํำแนกว่าความสงบมันมีสองอย่างอย่างแรกคือสงบเพราะไม่รู้เช่นหลับตานะปิดหูหรือว่าไปอยู่ในห้องที่เงียบ ไม่มีผู้คนส่งเสียงกระทึกอยู่ในป่าไม่มีความวุ่นวายให้มากระทบที่ตาที่หูที่จมูกหรือว่าที่กายพอไม่มีอะไรมากระทบใจมันก็สงบได้หรือว่า อยู่ท่ามกลางผู้คนแต่ผู้คนไม่ส่งเสียงดังใจก็สงบได้นี่เรียกว่าสงบเพราะไม่รู้หรือตัดการรับรู้ทางไอตนะทั้งห้านะส่วนการรับรู้ทางใจนะก็ตัดมันด้วยการบังคับจิตให้แนบแน่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่นลมหายใจหรือว่าวัตถุภายนอกที่เขาเรียกว่ากรสินนะอันนี้ก็เป็นการบังคับจิตให้ไม่ต้องไปรับรู้อะไรข้างนอกนะก็เรียกว่าเป็นการคุมอายตนาทั้งหกความสงบอีกแบบหนึง่งสงบเพราะรูนะ้รู้ในที่นี้ไม่เพียงแต่รู้ว่ามีเสียงดัง แต่ว่ายังรู้อาการของใจเวลามันกระเพื่อมเช่นไม่พอใจที่ได้ยินเสียงอาจจะเป็นเสียงดังหรือเสียงต่อว่ามีแดดมากระทบรู้สึกร้อนเกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วก็ความไม่พอใจก็ตามมาแต่ว่ามีสติรู้ทันนะ ทั้งทุกขเวทนาแล้วก็ใจที่กระเพื่อมหรือว่าไม่พอใจพอรู้เนี่ยนะมันก็ใจก็จะสงบลงสงบเพราะว่าวางนะวางวางไม่เข้าไปในอารมณ์นั้นหรือจะเรียกว่าไม่ยึดในอารมณ์นั้นก็ได้ เวลามีอารมณ์เกิดขึ้นในใจเนี่ยนะเผลอเมื่อไหลใจมันก็ไปยึดเลยนะว่าเป็นเรามีความโกรธเกิดขึ้นเผลอเมื่อไหลใจก็ไปยึดว่าเนี่ยเราโกรธความโกรธเป็นของเราความปวดความเมื่อยก็เหมือนกันนะที่เรียกว่าเป็นทุกขเวทนาพอมันเกิดขึ้นที่ขาที่แข่งเผลอเมื่อไหลใจมันก็ไปยึดว่า เราปวดเราเมื่อยนะแต่พอเรามีสตินะรู้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นรู้ว่าความปวดความเมื่อยเกิดเกิดขึ้นที่ขาที่กายนะมันจะวางได้จะไม่เข้าไปเป็น ไม่เข้าไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะแต่ว่าเห็นความปวดความเมื่อยอันนี้เรียกว่ารู้โดยสตินะรู้อีกอย่างนึงคือรู้ด้วยปัญญาเช่นรู้ว่ามันไม่เที่ยงรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนรู้ว่ามันไม่จีรังยั่งยืนมาแล้วก็ไป ผู้งาคือว่ารู้ในความเป็นธรรมดาของสิ่งต่างๆนะการรู้แบบนี้มันทําให้ใจเนี่ยไม่ไปยึดมั่นถือมันตั้งแต่แรกเช่นไม่ยึดมั่นถือมันในทรัพย์สมบัติมีก็จริงแต่ว่าไม่ยึดมัน่นพอหายไปใจก็ไม่ทุกขนะ์หรือว่าพอไม่ยึดมั่นในหน้าตาไม่ยึดมั่นในตัวตน ใครมาต่อว่าด่าทอก็ไม่ทุกข์ใจไม่กระเพื่อมไม่รู้สึกโกรธเพราะว่าไม่ได้รู้สึกเสียหน้าเสียตาอะไรเลยรู้เพราะสติเนี่ยนะมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก่อนเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก่อนแล้วจึงวางส่วนรู้เพราะปัญญานี่ก็คือว่า มันไม่เปิดโอกาสให้ความหงุดหงิดความไม่พอใจหรือความทุกข์เกิดขึ้นตั้งแต่ที่แรกนะมันต่างกับตรงนี้นะรู้แต่สตินี่เกิดทุกข์แล้วนะรู้แล้วก็วางแต่รู้แต่ปัญญานี่มันไม่มีเหตุให้เป็นทุกข์ตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะฉะนั้นใจก็สงบได้แม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ทรัพสมบัติกับคนที่เราเกี่ยวข้องผูกพันหรือว่ากับกายและใจของเรานะรู้ด้วยสติเนี่ยมันรวมไปถึงการรู้ทันความคิดนะความคิดมันเผลอคิดขึ้นมาก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้น หรือว่ารู้ว่าใจมันลักคิดนะลักคิดก็คือว่ามันแอบคิดหรือว่าเผลอคิดถ้าไม่รู้ตัวมันก็คิดเลยเปื่อยแต่พอมีสติรู้ทันความคิดนะมันเหมือนกับขโมยนะเจอเจ้าของบ้านนี่มันรีบถอยรีบหนีเลย มีครูโรงเรียนหนึ่งก็สอนเด็กนะบอกว่าให้รู้ทันความคิดแต่ว่าใช้คำว่าจะเอนะให้ให้ใจนี่มันไปจะเอความคิดนะเด็กเนี่ยนะเขาก็รู้จักคำว่าจะเออยู่แล้วนะเรานึกภาพเนี่ยจะเอคือมันเกิดอาการที่เผชิญหน้ากันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไอ้ความคิดนี่พอมันโดนจะเอนี่มันก็ ยอมแพ้ไปเลยนะถ้าเด็กเล็กๆนี่เขาเขาก็รู้นะว่าไอการเจรนญสตินี่มันช่วยทำให้ความคิดหรือความเพลิดิดนี่มันมันวูบหายไปไดนะ้อารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะเพียงแค่รู้ทันมันมันก็ดับหายไป ไม่ต้องไปทำอะไรกับมันไม่ต้องไปกดข่มมันนะไม่ต้องไปพยายามตัดให้มันขาดอย่าง ม, มีคนถามหลวงปู่ดูลัตุโลนะซึ่งเป็นลูกศิษย์ลูกแรกๆของหลวง ป, ปู่มัน่นถามว่าทำยังไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ท่านตอบว่าไม่มีใครตัดความโกรธให้ขาดได้หรอก นี่แต่รู้ทันมันนะพอรู้ทันมันมันก็ดับไปนะในประสบการณ์ของเรานะก็คงจะเคยนะที่เราโกรธ อ, อยู่ดีๆแล้วพอรู้ทันนะเห็นความโกรธมันดับไปเลยไม่ต้องไปพยายามไปกดข่มไปตัดไปห้ามมันเพียงแค่รู้เฉยๆเนี่ยมันก็ดับไปได้ แต่คนธรรมดาเนี่ยหรือคนส่วนใหญ่เนี่ยไอการรู้เองเนี่ยนะมันยากนะบางทีก็ต้องอาศัยคนทักที่โรงเรียนแห่งหนึ่งนะเป็นโรงเรียนในกรุงเทพนะผู้ปกครองก็มีฐานะเวลาเลิกเรียนนี่ก็มีรถหลายๆคันนะมาจอดมารอแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นก็คือรถติดนะรถติด หน้าโรงเรียนยาวเป็นแถวโรงเรียนก็พยายามจัดระเบียบนะเช่นให้รถเดินทางเดียวเรียกวันเวเข้าทางนี้แล้วก็ไปออกทางโน้นแต่ว่ามีผู้ปกครองคนหนึ่งนะอยากจะได้เข้าไปเร็วๆเพื่อจะได้มีที่จอดรถก็เลยเข้าทางประตูออกเข้านะทางประตูออกนี้ก็แล่นฉุยเลย พอไปถึงลานจอดรถก็มีที่จอดรถบังเอิญเหลือแค่คันเดียวก็เข้าไปเสียบในที่จอดรถสักพักก็มีรถติดอีกคันหนึ่งซึ่งมาตามซึ่งมาหาที่จอดรถเหมือนกันแต่เขาว่าถูกแย่งไปแล้วรถที่มาคันหลังนี้เขาก็ไม่พอใจนะว่าคันแรกเนี่ยไม่ได้ทําตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะ ก็ลงไปต่อว่าว่าคุณทำอย่างนี้ได้ยังไงทำไม่ถูกนะลดให้เขาเข้าทางประตูเข้านี้กลับมาเข้าทางประตูออกนะก็ต่อว่ายัางมีอารมณ์เล็กน้อยคนที่ถูกต่อว่านี่เขาบังเอิญนะเป็นนายพลเป็นทหารไม่พอใจไม่เคยมีใครมาว่าแบบนี้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าคุณรู้ไหม ผมเป็นใครนะไอ้สำนวนนี้เราคงได้ยินบ่อยนะคุณรู้ไหมหรือมึงรู้ไหมกูเป็นใครนะถ้าสุภาพ้วก็คุณรู้ไหมผมเป็นใครผู้ปกครองคนนั้นบอกว่าผมไม่สนใจคุณเป็นใครคุณทำผิดกฎ ร, ร, ระเบียบพูดจบก็เดินกลับไปที่รถของตัวคนที่นายทายคนนั้นนี้ไม่พอใจโกโรธมากไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้กับตัว ก็ไปเอาปืนนะที่เก็บไว้ในรถออกมาแล้วก็ลงจากรถเดินตามผู้ปกครองคนนั้นไปผู้กครองคนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะว่าใกล้จะถึงฆาตและจะบังเอิญ น, นะมีมีพนักงานโรงเรียนนะพนักงานขับรถอยู่ในเหตุการณ์ก็เห็น แล้วก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาไม่ทําอะไรเขาก็เลยนะบําเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีนะเข้าไปเข้าไปแทรกปกติคนที่เป็นพลเมืองดีเจ็บตัวพอเข้าไปแทรกแบบนี้ก็หลายหลายแล้วนะบางทีก็ถึงตายแต่ว่าพนัก ง, งานคนนี้แกเป็นคนที่มีไหวพริบ ป, ปฏิภาณ รู้วิธีพูดนะก็เข้าไปหานายทหารคนนั้นซึ่งกำลังถือปืนอยู่แล้วก็เข้าไปแตะเบาๆที่ทแขนแล้วก็พูดขึ้นว่าท่านครับท่านมารับลูกไม่ใช่หรือครับนะผูดท่านี้นี่นายเท้านั้นได้สติเลยนะ เพราะว่าความโกรธที่มันหายไปเลยเปลี่ยนใจนะเดินกลับไปที่รถเอาปืนเก็บความโกรธมันหายไปเลยนะเพียงเพราะว่าอันเนื่องจากมีคนมาทักนะแทนที่จะทักว่าอย่าทำอย่าทำเวลาทักว่าอย่าทำอย่าทำนี่มันยิ่งทำให้เกิดความโกรธมากขึ้นแต่พอทักถึงลูกนะสติมาเลยนะแล้วสตินั่นแหละที่มันทาให้เห็นความโกรธ พอพอกลับปุ๊บนี่มันหลุดเลยอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นอ่านที่สองหรือเป็นอนุภาพของสตินะคือพอรู้เนียรู้ทันเนียรู้ว่าอารมณ์เกิดขึ้นรู้ว่ามีความโกรธเนียความโกรธมันหายไปเลยมีรายนึงก็เป็นนักศึกษาในปี4ธรรมศาสตร์คณะสังคมปีสุดท้ายต้องไปฝึกงาน อาจารย์อยากจะให้ไปฝึกกับหนวยงานราชการคือคล้ายเป็นหน่วยงานประชาสงเคราะห์นักศึกษาอยากจะไปทำงานกับองค์กรชาวบ้านองค์กร NGO ก็คุยกันก็ตกลงกันไม่ได้สุดท้ายก็พบกันครึ่งทางก็ไปไปฝึกงานกับองค์กรที่ทำงานกับชาวเขาที่พักเหนือตกลงกันเป็นเรียบร้อยแต่พอไปถึงที่จริงปรากฏว่าอาจารย์ให้ไปทำงานกับติดต่อ เสร็จสับเรียบร้อยให้ไปทํางานกับกรมประชาสงเคราะห์ที่ทํางานกับชาวเขานักศึกษามไม่พอใจมากว่าตกลงกันแล้วไม่ทําตามที่ตกลงคือนั่นก็เรียวกว่าร้อนรุ่มมากมีความไม่พอใจคงจะกว่าจะหลับก็คงนานทีเดียวว่ารุ่มขึ้นนักศึกษาก็พบอาจารย์ที่ปรึกษาคนหนึ่ง ปล่อยให้อาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งคนละคนกับที่ตกลงกันไว้นะเพียงแค่เห็นนี้นักศึกษาก็ต่อว่าต่อว่าด้วยความไม่พอใจอาจารย์ก็ดีนะก็พยายามอธิบายไม่โกรธแต่นักศึกษาก็ยังก็ยังว่าไม่หยุดถึงจุดหนึ่งนี่อาจารย์ก็พูดขึ้นมาทีแรกก็เรียกชื่อก่อนให้การเรียกชื่อนีก็ดีนะมันทาให้เกิดสติขึ้นมา อเรียกเส็จก็พูดว่าเนี่ยคิ้วของเธอนี่ผูกเป็นโบเลยนะคิ้วของเธอนี่ผูกเป็นโบเลยนักสาพอได้ยินนี่ก็ก็ได้สติเลยนะรู้ตัวแล้วว่ากำลังโกรธเพียงแค่รู้ตัวว่ากำลังโกรธเท่านั้นแหละนะความโกรธหายไปเลยแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทําให้เห็นถึงอันที่สูงของสตินะว่าอ๋อมันมีอ่า ความสามารถหรือมันมีอนุภาพอย่างนี้เองก็ทําให้เกิดศรัทธานในการเจริญสติที่เราก็มาบวชตัวนี้ก็ยังบวชอยู่เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างว่าสติเนี่ยนะเพียงแค่รู้ว่าโกรธรู้ว่าตัวโกรธหรือว่ารู้รว่ากำลังโกรธอยู่เนี่ยมันก็หลุดไปเลยนะไอ้ที่ยังโกรธอยู่เพราะว่าไปยึดเอาไว้ และที่ยึดเอาไว้เพราะไม่มีสติไม่รู้ตัวแต่ทั้งสองกรณีเนี่ยนะรู้ตัวเพราะมีคนทักนะแต่ถ้าเกิดไม่มีใครทักล่ะจะทำอย่างไรแล้วต้องสร้างสติของเราให้เป็นที่พึ่งพาของเราอย่างแท้จริงจะรอให้คนอื่นเป็นตัวเรียกสติของเราให้กลับมามันไม่ทันการหรือว่าเป็นไปได้ยาก การเจริญสติเนี่ยถ้าเราเจริญสติอย่างที่ทำอยู่เนี่ยมันจะทำให้สติของเราเนี่ยออกมาทำงานได้ทันการนะไม่ว่าจะมีความคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้นจะเป็นลักคิดหรือว่าพเพลิดโกรธนะพอมีสติรู้ทันปุ๊บมันหลุดเลยให้สติทำงานนะอย่าไปใช้ความคิดหลายคนเนี่ยนะ เวลาเวลาโกรธหรือเวลามีความคิดฟุง้งซ่านอยากจะจัดการกับความโกรธอยาจัดการกับความคิดฟุง้งซ่านก็พยายามใช้ความคิดเข้าไปความคิดนี้มันไม่สามารถจะวางได้หรือไม่สามารถจะหยุดหรือระ ง, งับได้ด้วยความคิดนะมันเหมือนกับเราจะขับไล่ความมืด เราใช้ความมืดขับไล่ความมืดไม่ได้เราต้องใช้แสงสว่างขับไล่ความมืดคโครนเนี่ยเราจะชำระล้างเนี่ยเราใช้น้ําโครนชำระล้างไม่ได้เราต้องใช้น้ําสะอาดความคิดเนี่ยเราจะจัดการกับมันนะจะวางหรือว่าจะทําให้มันเลือนหายไปเนี่ยต้องใช้นะสติ สตินี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องความคิดเลยจะเรียกว่าเป็นความรู้สึกก็ได้หรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นพี่น้องกันสติเป็นเรื่องของใจเนีเป็นเรื่องของตาในนีที่ไม่ต้องใช้ความคิดนักปฏิบัติหลายคนเนี่ยทําเวลาเจริญสติเนี่ยก็พยายามใช้ความคิดตลอดเวลาพยายามใช้ความคิดเพื่อหยุดความคิดโดยไม่รู้ตัว แต่ว่าโดยมู่ตก็เพราะว่าเวลาเจริญสติเนี่ยมันมีความอยากที่จะหยุดหยุดคิดให้ความอยากที่จะหยุดคิดเนี่ยนะมันก็เป็นความคิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะแล้วพอพยายามหยุดคิดด้วยความคิดเนี่ยมันไม่สําเร็จแล้วก็กลับเกิดโทษ ด, ด้วยเช่นเครียดนะปวดหัว ก็เคยมีผู้ปฏิบัติคนหนึ่งถามหลวงปูด่ดูลว่าพยายามหยุดความคิดแต่ทำไมยิ่งทำมันก็ยิ่งปวดหัวแน่นหนะ้าอกรู้สึกมึนนะรู้สึกเครียดหลวงปู่ท่านก็พูดว่าเนี่ยก็ให้เลิกล้มความคิดที่จะหยุดคิดซะมันก็หมดเรื่องนะ ให้ลให้เลิกล้มความคิดที่จะหยุดคิดนะเมื่อใดก็ตามที่อยากที่จะหยุดความคิดนะมันก็เป็นความคิดอีกแบบหนึ่งนะเราใช้ความคิดหยุดความคิดไม่ได้ต้องใช้สตินะระงับความคิดคือรู้ทันนะเหมือนกับเราจะขับไล่แสงความมืดก็ต้องใช้แสงสว่างนะ การเจริญสติเนี่ยโดยเพราะแนวทางลพเทียนเนี่ยนะมันไม่ต้องใช้ความคิดเลยมันใช้แต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นแหละหรือใช้ความรู้ที่แรกก็ไม่อาจจะอาจจะไม่รู้ว่าความรู้สึกตัวคืออะไรก็ใช้ความรู้สึกแทนรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวยกมือรู้สึกไหมว่ามือมันเคลื่อนเดินนี่รู้สึกไหมว่าตัวมันเคลื่อนขามขยับนะ รู้สึกตรงนี้นี่ภาษาฝรั่งก็ช่ว่าเซนเซชันนไม่ใช่ฟ e ลลิ่งฟิลลิ่งมันเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทน า, าเวลาเจริญสติใหม่ๆเนี่ยครูบาอาจารย์ก็บอกว่าแล้วก็ย้ำด้วยซ้ำว่าอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดแต่บางคนนี่ไม่เข้าใจก็จะไปพยายามสนใจหมกมุ่นคอยจับจ้องความคิดเพราะตั้งใจหรืออยากจะหยุดความคิด แต่เพียงทันทีที่อยากที่จะหยุดความคิดนี่มันก็เป็นความคิดอีกแบบหนึ่งไปแล้วนะคิดที่จะหยุดคิดนะมันก็เลยหยุดไม่ได้นะเหมือนกับเอาความมืดมาไล่ความมืดมันก็ไม่มีทางวางความคิดที่จะหยุดคิดซะนะอย่าเพิ่งไปสนใจความคิดให้รู้สึกนะ ให้ความรู้สึกที่กายเนี่ยที่มือที่หรือทั้งตัวนี่มันเรียกเป็นตัวเรียกจิตที่ฟุง้งซ่านที่เผลอออกไปท่องเที่ยวแล้เห่แร่ร่อนจนกระทั่งระหกระเหินกระเซาะกระเซิงเนี่ยกลับมาความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกทางกายมันจะเป็นตัวเตือนตัวเรียกให้กลับมาให้จิตกลับมาที่ไหนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตกลับอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา เมื่อเราคยื่นขยับนี่แหละนะมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นแต่เราจะไม่รู้สึกเลยนะถ้าเกิดว่าเราเผลอจมหายเข้าไปในความคิดเดินก็ไม่รู้ว่าเดินขยื่นขยับยกมือก็ไม่รู้ว่าขยื่นขยับหรือ ย, ยกมือความรู้สึกมันหายไปเลยแต่บางช่วงเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ความรู้สึกมันแทรกเข้ามาให้เรารับรู้ได้ เชนรู้สึกว่ากําลังยกมือรู้เสื้อกํากลังเดินไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะเหมือนเสียงเรียกเสียงเตือนให้สติ ก, กลับมาจิตของเราเนี่ยตมาชอบเปรียบเทืยบมือนกับลูกหมาที่มันยังไม่ได้รับการฝึกให้เชื่องมันก็จะชอบเล่นชอบวิ่งออกไปนอกบ้านเจ้าของคือเราเนี่ย ไม่อยากจะให้มันออกไปเที่ยวเล่นนอกบ้านเพราะอันตรายหรือว่ามันจะไปติดโรคติดอะไรมาเราจะทำไงไม่ให้มันออกไปเที่ยวนอกบ้านวิธีการที่คนส่วนใหญ่ใช้ก็คือว่ารั้มโซ่มันเอาไว้หรือว่ากักขังมันเอาไว้ซึ่งก็ได้ผลแต่ว่าเป็นผลชั่วคราวได้ผลแล้วก็จริงแต่เป็นผลชั่วคราวถ้าปล่อยมันเมื่อไหร่ ถ้าโซ่ขาดเมื่อไหร่มันก็วิ่งออกนอกบ้านนะแต่ว่าอีกวิธีนึงคือว่าอนุญาตให้มันออกไปอนุญาตให้มันให้มันมีอิสระนะที่จะไปไหนก็ตามถ้ามันอยู่ในบ้านก็โอเคแต่ถ้ามันวิ่งออกนอกบ้านหน้าที่เราคือเรียกมันแต่ก่อนนี่กว่าจะลุ้มันออกไปนอกบ้านมันก็ไปไกลแล้ว ก็ต้องส่งเสียงเรียกมันอยู่นานกว่ามันจะกลับมาแต่ตอนหลังเราไวขึ้นพอพอมาหลอกไปส่อกพับเรารู้เลยเรารู้เสร็จแล้วก็เรียกมันหมา ย, ม, า ย, ม, ายมันไม่ยอมกลับแต่ว่าเราเรียกบ่อยๆมันก็กลับมากลับมานานทําไปทําไปมันจะกลับมาเร็วเข้าเร็วเข้าขณะเดียวกันเราก็จะรู้ไวรู้ทันได้ไวขึ้นในส่วนนี้มันก็ไปปุ๊บแล้วก็กลับมา บางทีไม่ต้องเรียกนะมันรู้เองพอมันยื่นขาย่างเท้าไปไม่กี่ก้าวมันก็รู้ตัวแล้วมันกลับมาเองในะสุดนี้มันก็อยู่บ้านอยู่บ้านได้นานก็ยังออกไปอยู่แต่ว่านานๆไปทีรถไปก็ไปประเดี๋ยวเดียวจิตนะของเราเนี่ยถ้าเราฝึกสติจะเป็นอย่างนั้นก็คือว่าเราให้สละในการที่มันจะอยู่หรือไปก็ได้แต่ถ้าไปเมื่อไหรนะ่นะ ก็ใช้การเรียกการเรียกนั้นคือหมายถึงอะไรก็หมายถึงความรู้สึกนะรู้สึกที่มือรู้สึกว่ามือกําลังเคลื่อนไหวรู้สึกว่าเท้ากําลังขยับเนี่ยไอ้ตรงนั้นแหละนะมันจะเหมือนกับเสียงเรียกเตือนให้ให้จิตมันกลับมาจากการท่องเที่ยวจากการจมหายเข้าไปในความคิดและอารมณ์เพลิดเพลินในแสงสี ให ม, ม่ๆนี่มันก็กลับมาช้านะแต่พอเราทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลับมาแล้วก็อยู่กับบ้านก็คืออยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับกายนั่นเองกายนี่เป็นเหมือนบ้านนะเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเดินจงกลมถ้ามีสติใจมันก็จะอยู่กับกายก็จะรู้ ก, กายเคลื่อนไหว ถ้าจิตมันไม่อยู่กักายมันก็ไม่รู้กายเคลื่อนไหวคือไม่รู้สึกนะในการปฏิบัติก็มีหลักว่าให้รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกนะรู้กายเคลื่อนไหวก็เพราะว่าจิตมันอยู่กับกายตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะนี่เป็นหลักเบื้องต้นเลยตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อตัวทำอะไรกายทำอะไรใจก็รับรู้รู้สึก แต่ถ้ามาจากตานที่มันเผลอคิดนึกไปนะมันออกไปจากกายมันคิดนึกสารพัด ส, สติจะทําหน้าที่รู้ทันจะทําหน้าที่รู้เตือนจิตให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับกายนะทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะมันใช้แต่ความรู้ที่เราใช้ความรู้สึกก่อนต่อมาเป็นความรู้สึกตัว แล้วต่อไปเนี่ยนะสติมันก็จะรู้ทันเมื่อใจคิดนึกรู้ว่ามีอารมณ์เกิดขึ้นรู้อาการกระเพื่อมของใจใจฟูใจแฟบมันก็รู้นะรู้ในที่นี้นะก็คือรู้อาการความเป็นไปของใจนะไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นการปรุงแต่งความคิดหรือว่าการปรุงแต่งเป็นอารมณ์ ซึ่งมักจะเป็นปฏิกิริยาต่อผัสสะที่เกิดขึ้นไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ใจอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเองนะมันเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะผัสสะนั้นจะมาทางจะรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจก็ตามอันนี้รวมถึงปฏิกิริยาต่อเวทนาด้วยนะมีความปวดความเมื่อยความสบายนะมันก็จะปรุงแต่งเป็นอารมณ์ ชอบก็ดีชังก็ดีพอใจก็มีไม่พอใจก็มีนะหวงแหวนหรือว่าเกลียดชังทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจําเราจัดการกับมันได้ก็เพียงแต่รู้ทันมันรู้ว่ามันมีอยู่นะไม่ต้องกดข่มมันนะ การมีสัจการเจริญสติเนี่ยจะทําให้ในสุดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเป็นเจ้านายความคิดได้หรือว่าเป็นอิสระจากความคิดก็ได้เราคนทั้งวันนี้คิดเก่งแต่คิดไปคิดไปไปไ ป, ไปมาๆกลายเป็นว่ากลายเป็นท่าของความคิดหยุดความคิดไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะว่าคิดอยู่นั่นแหละจะให้มันหยุดคิดก็หยุดไม่ได้ ถามมาคิดแล้วทุกไหมก็ทุกคิดถึงลูกที่ตายจากไปคิดถึงความผิดพลาดในอดีตคิดถึงคนรักที่ทรยศหักหลังนอกใจเราก็รู้ว่าคิดแล้วมันเสียใจคิดแล้วก็โกรธแต่ว่าก็หยุดคิดไม่ได้แล้วคนทุกวันนี้เป็นทายของความคิดมากแทนที่ความคิดแทนที่เราจะเป็นนายความคิดกลับให้ความคิดเป็นนายเรา แต่ถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นนายความคิดได้มากขึ้นถึงเวลาวางก็วางได้ถึงเวลาจะคิดก็คิดอย่างมีทิศทางไม่ได้คิดสเปรศปาคิดวกคิดวนคิดฟุ้งซ่านหลายคนคิดเก่งนะแต่คิดไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวคิดไม่มีทิศทางเลยไม่มีหางเสือวกวนไปมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอันนี้ก็เรียกว่าคุมความคิดไม่ได้ แต่ถ้าเรามีสตินะถึงเวลาคิดมันก็คิดได้เป็นเรื่องเป็นราวมีทิศมีทางถึงเวลาจะหยุดคิดถึงเวลาจะวางความคิดมันก็วางได้นะไม่ใช่ว่าตั้งใจที่จะหยุดคิดนะอย่างที่บอกตั้งแต่แล้วว่ามันอันนั้นก็เป็นความคิดแบบหนึ่งซึ่งใช้ความคิดหยุดความคิดไม่ได้แต่ว่ามันใช้ใช้สติคือความรู้ทันความคิดมันก็จะหยุดก็จะวางความคิดได้แลวความสงบก็ จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากเพราะะฉนนั้ต้องต้องแยกให้ให้ออกนะว่าใหการเจริญสติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความคิดนะอาจจะใช้อาจจะใชยความคิดเป็นตัวช่วยในการนําทางการเจริญสติให้ถูกต้องอย่างที่ฟังตอนนี้เนี่ยฟังตอนนี้พวกเราก็ใช้ความคิดทั้งนั้นแหละต้องใช้ความคิดถึงอยากเข้าใจ แต่พอลงมือปฏิบัติแล้วก็ต้องวางความคิดนั้นลงนะเราต้องรู้จักใช้ความคิดเป็นประโยชน์ไม่ได้ว่าไม่ได้แปลว่าเราปฏิเสธความคิดเราเป็นศัตรูเป็นปรับปากับความคิดไม่ใช่แต่อีกท่้วเราต้องรู้จักเป็นนายมันไม่ใช่ให้มันเป็นนายเรานะแล้วสติจะช่วยทําให้เราเป็นนายความคิดได้